โลงพอแล้วแหละทำทานเล่งมูได้ว่าเไปมันเป็นอีงสี่ระลอกเลยนะไปแกนเจ้าของแล้วทำทานเล่งมูลงไปถึงยังไงโรงทานก็รองรับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนั้โรงทานต่างๆนะ อย่าไปชะล่าใจนะไม่ใช่ว่ามีแต่ตอนเช้าได้อีกสักหน่อยหนึ่งอกองทัพใหญ่จะเข้ามาพวกเราต้องเตรียมพร้อมอรับกองทัพใหญ่มีท่านในอำเภอมี อ, อบวตต์ผู้เหบ้านกำนันจะเข้ามาร่วมทอดผ้า ป, ป่าสามัคคีในวันนี้เพราะว่าก่อนที่จะเป็นผ้า ป, ป่าสามัคคี ก่สาวัดท่านนายอำเภอเป็นผู้ปารบขึ้นก่อนใช่ไหมผู้หน่อยเออนั่นแหละท่านนายอำเภอปารบขึ้นมาท่าน อ, อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างวัดในเขตเอำเภอเพนคือสร้างวัดใหม่ยังไม่มีอะไรนับแต่ที่แรกนะครัท่านบอกกอไก่เลยแหล ะ, ะยังไม่มีอะไรเพราะนั้นทั้งส่วนราชการ พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเขตอำเภอเ พ, อเพนแล้วก็อำเภอที่ใกล้เคียงและวเขตอุดรของพวกเราตลอดถึงพระสงฆ์จะได้มาร่วมกันสร้างวัดป่ารวมธรรมแห่งนี้นี่และพวกเราท่านทั้งหลายมาเห็นกันมีแต่ศาลาหลังนี้นะที่จะได้พักพาอาศัยจากนัก้นก็เรื่องอ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 อยู่ในระแวกนี้ตามไม่ทันหรือว่ามีแต่เทววัตถุขึ้นเร็วเกินไปโดยมากจะมีปัญหาเพราะนั้นทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคณะสัทยายาิโยมแล้วก็ทางด้านวัตถุ ก, ก็น่าจะให้ไปพร้อมๆกันถึงจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะเป็นการสร้างบา ร, รมีสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันแต่หากว่าสร้างปูกปับขึ้นมา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 ต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเพราะว่าวัดก็ไม่ใช่ของผู้ใดใครผู้หนึ่งจะรู้ว่าวัดหลวงพ่อยินทีเดียวก็ไม่ได้นะคณะสัทธาญาติโจมเหมือนกับเราว่าวัดของพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนั้นหละ่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่รับรู้รักษาอะไรท่านก็อยู่นูน่นประเทศอินเดียนั่นนะ่ะท่านก็เปอร์นิญีพานไปแล้วแต่พวกเราก็นะ บอกว่าวัดพุท ธ, ธาศาสนาวัดของพระพุธทธเจ้าอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกั น, นแต่หลวงพ่อไม่ได้เปรียบเทียบหลวงพ่อเหมือนพระพุธทธเจ้าดอกแต่ว่า เ, เขายกให้เป็นหลวงพ่อเป็นประธานหลวงพ่อก็เป็นประธานแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นของลูกของหลานของจัทธยายาโจมทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแหละ เ, ะเป็นสถานที่บาเพ็ญเป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลเป็นสถาน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 ต่างคนก็ต่างไปสู่สวรรค์นิพพานด้วยบุญบา ร, รมีของพวกเราที่มาร่วมสร้างมาสร้างร่วมกันนี่แหละต่อไปกัเป็นทายาทลูกหลานของเราก็จะได้ดูแลวัดวาศาสนาต่อไปนานเท่านาน เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมพวกเราเนี่เป็นผู้มักดึกดอกอตั้งขึ้นมาอันนี้คือวันนับหนึ่งหรือว่ากอไก่ ของพวกเราเนี่ยคือสร้างวัดป่ารวมธรรมการสร้างวัดวาศาสนาในครั้งพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็เคยมาพูดที่นี่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านก็เสด็จเข้ามากรุงราชคือพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายที่ดินสวนอุทยานคือสวน เ, เวลุวันเวลุวันคือสวนไม้ไผ่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 เศรษฐีกรุงสาวัตถีไปทรมาค้าขายกรุงพระราชคือไปก็ไปเห็นได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพี่น้องประชาชนนับถือเลื่อมใสพระพุพะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อานาถาพฤติกเศรษฐีก็ได้ไปฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าเพราะอนาถาพฤติกาเศรษฐีนี่ก็เป็นผู้มีศรัทธามีอุปนิสัยมาแต่เก่าแก่อยู่แล้วคือจะเป็นพุทธอุปถาพาระพุทธเจ้าอยู่แล้ว พอไปเห็นพระพุทธเจ้าท่านนั้น่ะมันซึมซาบพอไปในจิตใจลึกซึ้งเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสให้ข้าว่าแบบขนสู้ซาบ ข, ขึ้นมา ใ, จในใจิตในใจทุกอย่างจากนั้นก็ได้กราบพระพุทธเจ้าขอราตนาพระพุทธองค์สเสด็จไปกรุงสวรรค์ถีข้าพระองค์จะได้ถวายจะสร้างวัดถวายในกรุงสวัส ถ, ถีขอพระองค์ โปรดรับเมตตาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธองค์ก็ดุจฉ น, น, นีดุจฉนีดุจฉนีภาพใครๆว่าไม่ตอบไม่รับแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าพระพุทธองค์รับแล้วนะจากนั้นพระอาณาถาเมติก็กลับมาค้า ข, า, ขายเสร็จแล้วก็กลับมาต่อมาก็มาหาที่ทําเล ท, เที่ตรวจ ด, ดูในกรุงสาวัตถีเนะี่ยที่ไหนทําเลดีที่สดุดในความรู้สึกนะเออ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 เหรียญบาทเนี่ยกรหาปณะนียเหรียญกรหาปณะเนี่ยเรียงครเรียงได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละให้ายๆว่าเราเรียงเรียงเรียงเหรียญบาทเนี่ยเลเรียงเรียงเรียงเรียงเรียงเรียงกันพอเรียงถึงที่ไหนก็ขีดเช่นไว้แล้วก็เอาขนาดนั้นก็เรียงอีกทีนี้อนณาถาไม่ได้กระเจติก็เอาเงินมาจากท้องประคังเนี่ยเอามาเรียงแล้วงั้นนะเรียงเอาที่ดินของนายเชษ เกือบทั้งหมดยังเหลือแตแถวทางหน้าประตูเท่นี้ยังเหลืออยู่ประมาณแถวหน้าประตูแปลงขนาดเด่ก็คงไม่มากไม่กว้างเท่าไหร่嘛นายเชิดเขาบอกว่าเอาละพอละพอละเออเอาเอ า, เอาเรียงมาขนาดนั้นพอละแต่หน้าประตูนี่ยผมขอถวายผมขอมอบให้มอบให้ท่านเศรษฐีแถวแถวหน้าประตูนี่ยแต่ถึงยังไงก็ผมขอฝากเชื่อไว้ด้วยนะ ชื่อว่าผมชื่อนายเชษนาา์นาถาบดตีก็ได้ก็เลยตั้งชื่อว่าวัดป่าเชษตะวันมหาวิหารกคือชื่อนายเชษเพราะงั้นแต่แตว่าที่ที่ดินจริงๆเนี่ยเป็นของอนาถาบุิรีเกษฎีมีหน้าประตูเท่านั้นแหละเป็นของนายเชษแต่นายเชษอยากจะได้ชื่ อ, อนาถาบุตรีก็ให้ชื่อได้นะแต่นายเชษได้บุญแตอนาถาบุีกเกษฎีนี่ได้บุญ พรท่าซื้อแปลงบ้ากใหญ่เลยสิข้างในนั่นนะให้พระพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์สเสด็จประทับอยู่ที่กรุงที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารจากนั้นก่อนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอาณาถาบิิกาเศรษฐีก็สร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างที่พักเป็นสัดส่วนพระคันทุกุฏิของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็สร้างพระคันทกุฏิของพระอัครสาวก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 เพราะทุกวันนี้พวกเราคงได้ยินว่าโอ้ยลูกหลานของเราพูดยากนะหลวงพ่อก็อยากจะพูดในจุดนี้ให้คณะตถาญาิยาโยมฟังอีกในเมื่ อ, อนาถาบุตรกาเรษฐีดูแลพระสงฆ์ดูแลพระพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปถัตอนเช้าก็ถวายพระตาหารตอนบ่ายตอนเย็นก็ถวายปานะกับพระสงฆ์ตอนเย็นก็มาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขาด อันนี้คือวัดอาณาถาเมติกาเศรษฐีท่านใส่ใจออตอนเช้ากับปินเท่าบาทไปพบองค์ไปไปฉันอาหารบางทีก็ เ, <c oughs> เลี้ยงพระสงฆ์หรือเลี้ยงถวายพระทหารพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ที่บ้านของตนเองเออที่ในกรุงสวรรค์บางทีก็อเอามาถวายที่วัดป่าเชตะวันอันนี้แหะคืออาณาถาเมติกาให้เขับว่าชีวิตทั้งชีวิตของอาณาถามติเนี่ เป็นผู้ทุ่มเทเไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงก็เถิดนะลูกของท่านมีหลายคนทีนี้พอมีหลายคนนะลูกสาวลูกชายดีทั้งหมดยังมีลูกคนหนึ่งคงเป็นลูกคนสุดท้องนะเกเลทีนี้พ่อบอกให้เดินหน้า เ, เด็กชายลูกเนี่ยเดินถอยหลังถ้าให้ไปขวาไปซ้ายคล้ายๆว่าไม่ไปตามความประสงค์ของของพ่อ อาณาถาเิติกาศเศรษฐีก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรบอนการมั น, นโอ้จะมีแต่คิดในใจโปร่งตกเราเ อ, อลูกของเราเนี่ยเราเนี่จะพาลูกเออพาครอบครัวทั้งลูกหลายหลายคนไปสู่สวรรค์นิพพานล้วนแล้วแต่ได้เป็นพระอริยะบุคคลกับลูกมากเราเนี่กัเป็นพระโสดาบันทั้งแม่บ้านก็เนี่แหละพระแม่บ้านกับโสดาออลูกๆหลายคนก็เป็นพระ โซดากันมีเกือบทุกคนแต่ไอ้นี้ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะลูกของเรานเนาะแต่อาณาถาบดีกาเศรษฐีเนี่ยก็คิดแล้วกิ ด, ดิไม่รู้จะทำยังไงก็คงจะดุดา ว, าาว่าเก่าที่ท่านก็ไม่ได้เขียนในตำราเอาไว้นะท่านก็คงจะแทะหัวด้วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนบอกไม่ฟังกันใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้นี้ไอ้หนุ่มเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นมาอายุสิบสี่สิบห้าปีเนี่ย เออเท่นนี้ก็ไปเทีย่ยวได้ติดหมูติดเพื่อนเ อ, อเงินเนี่ยมาแล้วก็ขอแหละขอเงินพ่อครับผมขอตางครับเ อ, อ้พ่อเขาไอ้นี้มันชอบเงินว่าวันนี้ก็เลยบอกว่าลกูกนี่นะวันพระนะวันนี้นะแปดค่าเออให้ลูกไปรักษาศีลได้ไหมพ่อจะให้จเจ้าเท่าไหร่ล่ะเออถ้าไปรักศีลรักษาศีลที่วัดเนะ่ยลูกจะเอาเท่าไหร่ถ้าเราเปรียบเทียบนะท่านก็ไม่ได้ว่านะ่ะ เอาครับผมเอาสักห้าสิบกระหาปณะครับจะให้ผมไปรักษาศีลเออเอาได้ได้ได้พ่อกระตกลงนะจากนั้นลูกชายก็อยากได้เงินใช่ไหมเด็กกำลังเที่ยวนี่จะได้ก็ับไปนอนวัดพอนอนวัดกัไปถึงวัดกันอนเลยแล้วไปรักษาศีลเลยไปกันนอนเหรอพอนอนเสร็จพวกนี้เช้ากลับมากับพ่อพ่อพ่อเงินห้าสิบบาทพ่อพ่อก็เตี้ยมันก็ให้ ขอ15าข้ามมาออเอกไปเอกได้1 5ห้ากลับมาอเอกขอทุกครั้งเหมือนกันแต่ไปวังเงินเนี่ยต้องมาก่อนแต่ในอนาถมดีกาจิตีก็ให้เนี่ยพอได้ตกลงแล้วต่อมาอนาถมดีก็บอกว่าโลกให้ไปฟังเทศนะทีนี้นะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าจะเอาเท่าไหร่เออเขอขอ 75, ก็แล้วกันรวมกันนะแต่ก่อน50่หมรวมแล้วเป็น75ค่าไปฟังเทศเหมือนกัน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 ออืเอาสักร้อยก็แล้วกันนะพ่อนะเออรวมกันสักร้อยเอออ้าวได้ทีนี้ก็ไปกันนั่งฟังนะทีนี้ไปกันตั้งใจฟังวันพระเพราะพวกเรายาแสดงธรรมบางคืนก็บางทีบางวันก็ตลอดคืนก็มีบางทีก็ที่ห้าหกทุ่มจุดแท้แต่การะเทสสะสูตรแท้ที่พระองค์จะแสดงธรรมให้กับผู้ใดถ้าหาว่าผู้มีอุปนิสัยมรรคผลนิพพานมีอยู่พระองค์ก็จะแสดงธรรมจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล อันใดก็ลกอลูกชายอานาถามนติกาเศรษฐีนั่นก็ไปนั่งฟังเท่นี้ไปก็ตั้งใจฟังเพราะพรธองค์กระเทศเรื่องอันใดจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนของเราพอพูดเสร็จแล้วจําได้และคำเลยออกมาป่กลับไปหานอนพอหันหลังให้จะลืมซะพระพุทธเจ้าบันดาลให้ลืมเด้อบาปพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิปนะ์ปุณณ์บาปคนที่ไม่ดีน่ยไม่ใช่ธรรมดานี พระพุทธเจ้าหัวแล้วละอ่ยลูกอนาถาพฤติการเศรษฐีเนี่ยมันจะจับคํำของเราไปเนี่ยเออเหล้ยวมันจะไปนอนพระพุทธเจ้าก็กลับหัวใจเขากันเลยบันดาลให้ลืมพ่อลืมเลยพอกลับเมื่อกี้เนี่ยเราจําแล้วแต่ทําไมลืมกลับไปอีกพอไปฟังอีกตั้งใจฟังเถอะพ่อตั้งใจฟังอา้าวจำได้ละทีนี่กลับไปอีกไปนอนอีกลืมอีกกลับมาอีก เอาเถอะตัวตั้งใจฟังให้ดีตัวหนี่งเพื่อจะได้จําให้ได้ใช่ไหมพอนั่งฟังขา่าวนี่เอเข้าใจในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจเลยพอเข้าฟังฟังฟังด้วยความตั้งใจจนได้สําเร็จพระโสดาบันฮะพอได้สําเร็จพระโสดาบันด้วยโอ้ต า, ตาตาตาตายเราทําไมหลงผิดถึงขนาดนี้พ่อของเราโอ้โหมีพระคุณอย่างมากจริงๆหนอะ เออที่แนะนําให้เราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยโอ้โหพระพุทธทเจ้าก็เป็นผู้เลิศประเสริฐจริ ง, รงๆที่ท่านแสดงธรรมเราได้โลกุตละซับแล้วโอ้เอาทะยกมือท่วมหัวระลึกถึงบุญคุณของพ่อระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธทเจ้าจากนั้นพอตอนเช้าพอสว่างพระพุทธองค์กับพระสงฆ์เนี่ยออกไปบินออกไปเนี่ยไปรับบิณฑบาต ที่บ้านอนาณาถาปินฑิกเศรษฐีเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้ก็ตามหลังคล้ายๆว่าตามหลังข้างๆพระพุทธเจ้าไปเลยนะเนี่ยตามไปแล้วกันีน่แหละพอไปถึงบ้านแล้วกันจัดน้ําจัดอาหารถวายอาหารถวายสิ่งของพระสงฆ์กับพระพุทธเจ้าอาณาถาปิณิกาเศรษฐีเห็นลูกชายโอ้โหเปลื้องปีติอย่างใหญ่หลวงเลยจริงจริง คล้าว่าตะกอนมาแต่มามีแต่ถามหาเงินแต่เขาเนี้กัเงินกระจุกหยักจุหจักเหมือนกันนะบอกว่ามาใกล้แต่งลูกในลูกชายในก็โอ้เอออย่าจะพ่อจะได้ถามให้เงินต่อหน้าพระพุทธเจ้าโดยเถือนอายอายคนอายพระพุทธเจ้าอายพระสงฆ์เหมือนกันแต่ผู้พ่อเนี่ยก็พยายามจะหาจังหวะที่จะมอกงินให้ของนั้นพวกพราะเห็นลูกชายตัวเองพิษปกติดีออกดีใจจริงๆวันนี้นเนี่ยะ นี่แหละเห็นพ่อเห็นลูกถ้าลูกทําดีเ น, นี่ยพ่อเนี่ยพออกพอใจนะจากนั้นก็มาใกล้ๆก็เลยอดไปหล่นคนไม่ได้ผู้พอนะลูกๆพ่อเตรียมกันไว้ให้อยู่นั่นเนี่ ย, ยนะจะมอบให้อยู่นะท่านลูกชายาไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกพ่อผมไม่เอาแล้วครับผมไม่เอาเงินครับเพราะพระพอโองค์บอกว่าอนาถาเวทิกาเศรษฐีลูกชายของท่านเนี่นเยเขาไม่เอาหรอกโลกิยาทรัพย์ เพราะเขาได้โลกุตระทรัพย์แล้วโลโลกียทรัพย์เนี่ยเป็นจิบจ่อยโลกุตระทรัพย์ของเขาเต็มใจของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาเอาโลกุตระทรัพย์เขาได้โลกุตระทรัพย์แล้วนาถาม่ดีเขาไม่สนใจดอกโลกียทรัพย์นาถาม่ดีกับเรษฐีได้ยินเท่านั้นสาธุสาธุสาธุเพราะนั้นคล้ายๆวยกภูเขาออกจากอก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 อ, อ่อันนี้แหละในค้งพระพุทธเจ้าก็มีแต่ถึงยังไงก็ตามหลงพ่อบอกกล่าวเรื่องเรื่องเราให้ฟังมาในพระไตรปิฎกนะเรื่องนี้นะ เ, เพราะนั้นพวกเราที่เป็นพ่อเป็นแม่ถึงจะลูกของเราหลานของเราดื้อรั้นยังไงก็ตามพ่อแม่ก็ควรจะใช้ความอดทนใช้สติใช้ปัญญาอบรมลูกหลานของพวกเราให้เป็นคนดีนนะอันนี้แหละอันนี้ก็คือการเล่าออกมาตั้งแต่ เราพ่อพทรยเจ้าได้ตัดสรู้วัดป่าเวลุวันเป็นวัดแรกวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารเป็นมาอย่างไรที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังตอนถึงอานาถมริกาเศรษฐีถึงท่านจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมถึงขนาดนั้นลูกของท่านก็ยังทะเลทลายนะยังเกย์เหมนน่ะเกเลเอแต่ท่านก็ใช้สติใช้ปัญญาเพราะพ่พทเจ้าก็เป็นผู้มีพัก คุณที่พวกตระกูลเข้าให้ความเคารพนับถือพระองค์ก็เมตตาเน่ยจนลูกชายของท่านก็ได้สำเร็จได้โลกุตระทรัพย์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะจต่าย ญ, ญาติโยมทุกมุมทุกเหล่านะการสร้างวัดวายศาสนานีนะ่ความเป็นมาของวัดวายศาสนาก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเอาต่อนี้ไปพระสงฆ์ จะอนุโมทนาให้พอนหน้าีเนี่นะ